บันทึกที่สองเหตุที่คนให้ทานมีพุทธพจน์แสดงเหตุที่คนให้ทานอยู่สองถึงสามหมวดเห็นว่าน่าสนใจจึงคัดมาดูกันดังนี้หมวดหนึ่งจากอังคุตรนิกายอัฏฐกานิบาตคือหนึ่งบางคนหวังผลจึงให้ มีจิตผูกพันกันจึงให้หวังสะสมจึงให้คิดว่าหลอจากโลกนี้ไปแล้วจะได้กินได้ใช้จึงให้ 2. บางคนให้โดยคิดว่าการให้เป็นการกระทำที่ดีสบางคนให้ด้วยคิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยให้เคยทำมา เราไม่ควรให้เสียประเพณีเก่าของวงตระกูลสบางคนให้ดยคิดว่าเราหุงหากินเองได้คนเหล่านี้หุงหาไม่ได้เมื่อเรายังหุงหาได้ไม่ควรจะไม่ให้แก่คนที่หุงหาไม่ได้หาบางคนให้ดยคิดว่าการให้การแจกทานของเรานี้ จะเป็นเหมือนดังมหายักษ์ของฤาษีปางก่อนทั้งหลายคือหมายถึงมุ่งเกียรติเกียรติในที่นี้คือเกียรติยศชื่อเสียงนะครับ 6. บางคนให้ด้วยคิดว่าเมื่อเราให้จิตจะผ่องใสเกิดสมณัสแช่มชื่นใจ 7. บางคนให้โดยฐานเป็นอลังการเป็นบริการของจิตเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมคุณภาพของจิตแต่งจิตให้ดีงามคือเป็นการฝึกฝนอบรมจิตเช่นทำให้จิตใจทั้งของผู้ให้และผู้รับอ่อนโยนลงหรือเป็นการฝึกตนให้เป็นคนเสียสละมากขึ้นหรือเป็นการปลูกฝังเจริญเมตตากรุณาธรรมเช่นตั้งใจว่าขอให้คนตกทุกข์ จงกลายเป็นผู้มีสุขเป็นต้นพูดตามภาษาวิชาการว่าเป็นเครื่องประกอบหรือเป็นส่วนช่วยแก่สมถวิปัสนาทั้งหมดนี้และต่อจากนี้เรียงลำดับจากเหตุจูงใจอย่างต่ำขึ้นไปหาสูงตามลำดับอีกหมวดหนึ่ง จากอังคุตรนิกายอัฏกานิบาตคือหนึ่งให้เพราะประจวบเหตุคือมีผู้รับมาถึงเข้าไอให้เพราะกลัว 3. ไอให้เพราะนึกว่าเขาเคยให้แกเรา 4. ไอให้เพราะคิดว่าเขาจะให้แกเราคือหวังผลตอบแทน 5. ให้เพราะคิดว่าการให้เป็นสิ่งที่ดีข้อที่6ให้เพราะคิดว่าเขาหุงหากินเองไม่ได้ 7. ให้เพราะคิดว่าเมื่อเราให้กิตติสัพันงามจะเฟื่องฟุง้งข้อที่8ให้เพื่อเป็นอลังการเป็นบริการของจิต อีกหมวดหนึ่งจากอังคุตระนิกายอัตการนิบาตหนึ่งให้พระชอบกัน 2. ให้พระโกรธ 3. ให้พระหลง 4. ให้พระกลัว 5. ให้ด้วยคิดว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยทำมา เราไม่ควรให้เสียประเพณีเก่าของวงตระกูลข้อที่หให้เพราะคิดว่าเราให้ทานนี้แล้วเมื่อตายจะได้ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ข้อที่7คือบางคนให้ด้วยคิดว่าเมื่อเราให้จิตจะผ่องใสเกิดโสมนัตแช่มชื่นใจและข้อที่8ให้โดยฐานเป็นอลังการ เนบริการของจิตเป็นเครื่องประกอบส่งเสริมคุณภาพของจิตแต่งจิตให้ดีงามทายพุทธพจน์หมวดแรกมีข้อความกล่าวถึงพบที่ผู้ให้ด้วยเหตุจูงใจนั้นๆจะไปเกิดด้วยแต่ข้อนั้นเป็นการกล่าวถึงผลที่จะเกิดมีมาตามเหตุโดยธรรมดาของมันไม่เกี่ยวกับความปรารถนาของผู้ให้ทาน